วันนเป็นวันที่สิบสองมิถุนายนพุทธศักราชสอง7ันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดวันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดนับจากวันนี้ไปหนึ่งเดือนเป็นวันเข้าพรรษาแต่หลวงพ่อก็ได้ย้ำเตือนพวกเราท่านทั้งหลาย ทั้งปล่อยพระทั้งไหวคารวะญาจุมทั้งหมดนะนะว่าพุทธบริษัทของพระพุทธทเจ้าในพรรษาที่จะถึงนี้เราควรจะวางแผนดำเนินชีวิตของเราอย่างไรเราจะเดินอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรอย่างทุกวันนี้ค่าอะไรโรดแมปนะ การวางแผนดับการเดินของเราจะเดินอย่างไงเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านทั้งฝ่ายพระก็เหมือนกันให้ตั้งอกตั้งใจการดาเนินชีวิตของเราจะเดินไปทางไหนแต่ให้เดินไปในทางดีให้วางแผนวางแปลนการดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่ดี ทางที่ดีคืออะไรที่ดีเลิศในหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้เรื่องภาวนาสำหรับพระตุดรงกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายท่านให้ขนขหายเร่งภาวนาหาทางพ้นทุกข์ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาในพระไตรปิฎกท่านก็บอกว่าพระสงฆ์ ที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามีหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะบางกลุ่มท่านก็บอกว่าเราได้ฌานสมาบัติได้ความสงบเรื่องสมาธิอยู่แล้วเราเดินปัญญาไม่นานเราก็คงจะได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นเรานอนใจอยู่ก็ได้แต่บางองค์ก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้อยู่ในศีลและวินยัย ถือธุดงอย่างเคร่งครัดพร้อมที่จะดําเนินชีวิตเดินทางมรรคผลมรรคผลนิพพานคงไม่นานยุงแค่เอือบบางองค์ก็บอกว่าข้าพระเจ้าได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นแล้วเป็นพระโสดาบันเดินขั้นต่อไปมรรคผลนิพพานอยู่แค่เอือบ คือต่างองค์ก็ต่างคิดพระสกทาคามีพระอนาคามีก็คิดในลักษณะเดียวกันแต่ก็ชล่าใจแต่ในเมื่อเขาไปกราบพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้ารู้วาลจิตของลูกศิษย์ที่เป็นพระพุทธบริษัทที่เข้ามาเฝ้าพร้อมกันพระองค์ก็บอกว่าพวกท่านทั้งหลายหยุดอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ถึงพวกท่านจะอยู่ในศีลอยู่ในทุดงอยู่ในฌานอยู่ในสมาธิอยู่การเดินขั้นวิปัจนาหรือเป็นพระอริยะบุคคลแต่ชีวิตของพวกท่านไม่ได้เลือกเวล่ำเวลาการเวลาไม่รู้จะไปเมื่อไหร่อย่างไรเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาท จะทำยังไงจึงให้ถึงเร็วพยายามให้ถึงซะให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยเร็วอย่าไปนอนใจอย่าไปชราใจในการที่ตัวเองยังเดินไม่ถึงที่สุดยังไม่ถึงฝัง่งเราจะไปชราใจอย่างนั้นไม่ได้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเตือนสิทธิอนุสิ์ของพระพุทธองค์ ถ้าพวกเรานำมาพิจารณาดูแล้วก็เป็นคำพูดเป็นคำตรัส ด, ด้วยความหวังดีด้วยความเมตตาด้วยความตักเตือนอย่าให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าชะล่าใจในการดาเนินด้านการปฏิบัติถ้ายังไม่ถึงฝั่งก็อย่าไปชะล่าใจในความหมายของพระพุทธองค์เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย โลกนี้มันไม่ใช่เป็นที่อยู่พักพราอาศัยมีแต่หลุมทุกหลุมอเนจียงทุกขังอนัตตามีแต่เรื่องทุกเท่านั้นที่จะมาเข้ามาหาสู่พวกเราท่านทั้งหลายแต่พวกเราท่านทั้งหลายอยู่ดีกินดีมีสุขเล็กๆ น, น้อยๆพวกเราก็ลืมตัวแต่ทุกมหันในอนาคตที่จะถึงคือมรณะภัย หรือชลาพยาธิจะมาเล่นงานเราทุกขเวทนามาเล่นงานเราจุดนั้นเราเราจะเห็นทุกอย่างสุดๆเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านให้คิดคิดมองไปข้างหน้าดูขนทางไปข้างหน้าว่าเราจะเจออะไรบ้างในอนาคตต้องเจอแน่ๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็น หรือพวกเราจะเดินยังไม่ถึงแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายบงสาคณาญาตของเราญาติมิตรหายที่พวกเราได้พบได้เจอได้เห็นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจนถึงเวลาสิ้นลมหายใจของแต่ละท่านพวกเราเห็นแล้วมีแต่ความทุกข์กระทมไม่สีพิไลเลยที่เราได้เห็น เพราะนั้นถ้ามาเจอตัวของพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะไม่แพ้ท่านเหล่านั้นเหมือนกันเพราะนั้นมีหนทางใหม่ที่เราจะหลีกเล่นไปได้นี่แหละก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าแต่ท่านบอกว่าเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยถึงจะเสกคาถาเป็นผู้วิเศษวิโสขนาดไหนห่อหันเดินฟ้าได้ ไม่ใช่หมอธรรมดาศาสตราจารย์หมอจะระดับไหนก็ตามไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้เรื่องความตายอันนี้คือวิบากกรรมร่างกายของเรานะ่คือวิบากเป็นผลมาแต่อดีตชาติหรือมาเกิดขึ้นมาแล้วตัวนี้ต้องถึงยังไงต้องถึงจุดจบแต่เมื่อเราภาวนาในจิตใจ เห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายเห็นอเนจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์แลว้วควาพิจารณาในอริยสัจ ท, ทุกสมุทัยในรูปมรรคเห็นชัดเจนในใจิตใจใจของเราเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสคือเห็นตามความเป็นจริงใจของเราก็เบื่อหน่ายใจของเราสละกิเลสออกจา ก, กจิตใจคือโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะ สลัดออกใจเป็นไทยใจของเราเป็นอิสระใจของเราไม่มีกิเลสใจของเราหมดเชื้อที่จะทำให้เกิดอีกนั่นแหละเมื่อใจของเราหมดเชื้อนะั่นแปลว่าร่างกายตัวนี้มันเป็นวิบากในอดีตมันก็ต้องล้มหายตายจากไปแต่ว่าเมื่อเราออกจากร่างนี้แล้วใจของเราออกจากร่างแล้วใจของเราเป็นไทยแล้ว ใจของเราบริสุทธิ์แล้วใจของเราเป็นพระอรหันต์แล้วพูดง่ายๆใจของเราเข้าสู่วิมุตติสุขแล้วใจดวงนั้นจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกแปลว่าเข้าสู่นิพพานแต่พระนิพพานนั้นนอกเหนือจากสมมุติไม่มีอะไรที่จะสมมุติในจุดที่ใจดวงนั้นเข้าไปถึงกวันนิพพานัง ปร r a m a สุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพูดได้เพียงแค่นั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านถึงยังไงพวกเราจะต้องถึงจุดจบอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวชีวิตของพวกเราไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้พ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศารนานาติที่เราเห็นอย่างไรเราก็จะต้องเดินตามแนวแถวที่ท่าน เดินไปที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นอันนั้นคือวิบากแต่ถ้าว่าผู้ใดยังไม่พ้นทุกยังไม่เห็นโทษในเมื่อจากไปจากชาตินี้แล้วเชื้อยังไม่หมดก็จะต้องไปหาเกิดอีกไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆที่อย่างหลวงพ่อได้พูดว่าถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้เก็บสั่งสมบูรณ์กุศล ทั้งที่รู้ว่าตัวเองจะตายจะต้องถึงจุดจบแต่ก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพยายามเก็บหอมพร้อมริบเก็บบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเมื่ อ, อร่างกายนี้หมดสภาพร่างกายของเราหมดสภาพในเมื่อร่างกายหมดสภาพเราก็ออกจากร่างนี้แต่บุญกุศลที่พวกเราได้สั่งสมเอาไว้ ที่เราไม่ประมาทในคุณงามความดีบุญกุศลก็เข้าสู่จิตใจของพวกเราพวกเราออกจากร่างนี้แล้วนะจะไปเลือกเกิดได้เพราะคนมีบุญคนมีบุญมีกุศลเหมือนคนมีเงินหนีออกจากบ้านหลังนี้ เ, เรือนหลังนี้เราก็ย้ายไปบ้านอื่นเราก็พร้อมที่จะไปซื้อบ้านหลังใหม่สวยงามกว่าหลังเก่าอีก เพืรเพราะว่าเรามีเงินแต่ถ้าเราไม่มีเงินออกจากบ้านหลังนี้ไปก่อนตกทุกข์ได้ยากอันนี้ก็คือคือดวงวิญญาณนั้นยังไม่หมดยังไม่สิ้นอาสวะกิเลสจะต้องมกุนเวียนเวียนตายเวียนเกิดในวัตสงสารไม่มีที่สุดสิ้นสุดไม่มีประมาณแต่ถ้ า, วาพวกเราเดี๋ยวนี้ พวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาในพบประธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ในใจข้าพเจ้าจะมุ่งเน้นหวังพ้นทุก์เท่านั้นเกิดมาในชาตินี้ข้าพเจ้าจะไม่เป็นอย่างอื่นอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านหนีออกจากเวียงหวัง เ, เมื่อท่านเสด็จออกจากเวียงหวังท่านกบอกเลยว่าข้าพเจ้าจะไม่กลับ มาสู่เวียงหวังข้าพเจ้าจะตายดาบหน้าข้าพเจ้าจะเอาพ้นทุกเท่านั้นอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านพาดําเนินจากนั้นเมื่อท่านนั่งสมาธิในวันเดือนหกเพนท่านบอกว่าถ้าไม่พ้นทุกในคืนนี้ไม่ได้ตัดรู้ไม่ได้บรรลุในคืนนี้เนื้อหนังมังสา ม, มันจะเหือดแห้งไปก็ให้มันเหือดแห้งไป มันตายไปอันนั้นก็คือพุท ธ, ธะที่ทั้งท่านจั่งจิตอธิษฐานในวันที่ท่านได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้ก็คือถึงเราจะไม่ทำขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นก็ให้ได้สักน้อยหนึ่งออหรือรอเปอรซนเราอาจจะได้สักสองสามเปซหรือ 5% เปซของพระพุทธเจ้า ก็จะดีเพราะเหตุไรเพราะว่าเราจะต้องเดินทางเดินตามแนวแถวพุท ธ, ธะอย่างน้อยก็ต้องมีสัจจะว่าอย่างคืนนี้แหวันพระสิบหําค่ำเดือนเจเป็นวันเดือนเพนตลอดทั้งคืนเอาเถอะข้าพเจ้าจะไม่นอนทั้งคืนเราจะเอาอริยาบทสายืนเดินนั่งหรือจะเอานั่งกระเดินออกจากเดินแล้วก็มานั่ง ออกจากนั่งแล้วก็มาเดินเราจะเอาอริยบทสองในคืนนี้คือการทำความภาคเพียงควรจะมีหนักควรจะมีเบานะไม่ใช่ว่าทำอย่างใดก็ททำอย่างเก่าตามไม่จริงควรจะมีหนักควรจะเร่งความเพียรเป็นบางครั้งคราวแล้วก็ควรจะมีเบาแล้วก็พร้อมกันในวันหนักอย่างเนี้ยการพัวนา เอาเถอะถึงจะนั่งมองเห็นกันก็นเราจะไม่คุยกันในคืนนี้เราจะไม่พูดเราปิดวาจาเราไม่คุยกันเว้นเสียแต่ว่ามีงูกัดอะไรตะขาบเรามีปัญหาเกิดขึ้นยังค่อยได้ช่วยกันแต่ถ้าไม่มีอะไรเอาเถอะเราคุยกันพูดกันมานานแล้วเราจะให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดในคืนนี้ ให้นั่งภาวนาถึงจะมองเห็นกันก็คือมองไปเห็นหัวหลักหัวต่อนั่งด้วยกันถึงจะมีพวกเรานั่งอยู่อย่างนี้ก็เถอะให้ถือเสมือนว่านี่คือหัวหลักหัวต่อคือกองอนิจจังทุกขังอนัตตากองทุกทางนั้นที่นั่งอยู่ด้วยกันที่ของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ในกฎอนิจจังกฎไม่เที่ยงของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละคือมองเห็นกันมองดู ในใจของเราให้เรามองเ็นเป็นก้อนในจังก้อนทุกขังก้อนอนัตตาเนี่แหละเมื่อเราไปนั่งภาวนาไปอยู่ณนะสถานที่ใดเราก็นั่งภาวนาของเราออกจากนั่งแล้วก็เดินออกจากเดินแล้วก็นั่งเนี่แหละแล้วก็ในใจของเราตั้งจิตอธิษฐานอีกว่าข้าพระเจ้าจะให้มีสติยกกับตัวเองให้มากที่สุดในคืนนี้ ข้าพเจ้าจะไม่ให้เผลอไม่ให้เผลอไผลไปทางอื่นสติสัมปะชัญญาข้าพเจ้าจะกําหนดลมหายใจก็อยู่ให้อยู่กับลมหายใจข้าพเจ้าก้าวให้อยู่กับก้าวเดินก้าวขาเดินก้าวขาขาซ้ายโถข้าพเจ้าก็จะให้อยู่ในขาของข้าพเจ้าจะไม่ให้เผลอไปที่อื่นในคืนนี้คือพยายามบังคับให้อยู่ในคืนนี้ เพราะข้าพเจ้าได้ปล่อยปะลนะเลยมานานเท่านานไม่รู้เท่าไรอายุของข้าพเจ้าข้าพเจ้าปล่อยแล้วมันได้อะไรเอาเถอะข้าพเจ้าจะเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมเชื่อในพระสงฆ์สาวกเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่าให้มีสติบังคับให้มีสติอยู่กับตนเองเอาเถอะในคืนนี้ข้าพเจ้าจะบังคับให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุด ถ้าเผลอไปแล้วข้พาพเจ้าจะดึงกลับคืนมาแล้วจะไม่ให้เผลออีกให้อยู่พุทธกับพุโทโธเท่านั้นนี่แหละอยากจะให้พวกเราอยู่กับพุโทโธตลอดทั้งคืนในเมื่อผู้ที่ทําจิตใจให้สงบได้แล้วก่อนหน้านี้ใจของเรามีพื้นฐานแห่งความสงบแล้วก็ให้เราพิจารณาทางท่านปัญญาทีนี้ ผู้ที่ผ่านความสงบมาแล้วเป็นพื้นฐานมาแล้วเดินปัญญาเลยเดินวิปัสนาเลยวิปัสนาก็คือวิปัสสนึกให้นึกคิดตั้งโจทย์ขึ้นมาพอตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วก็เฉลยเยฉลยโจทย์คืออะไรที่ พ, พระพุทธเจ้าตั้งโจทย์ให้พวกเราท่านทั้งหลายท่านบอกว่าเกซาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตโจนัง อันนี้คือโจทย์มองเห็นได้ชัดมองรู้มันมีกับทุกคนในเมื่อเราพิจารณาเห็นกายเกษาผมโลมาคนยังแยกแยะเข้าไปอีกข้างในอีกมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดอดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าแล้วก็ดูอีกลำไส้ของเราดูอีกน้ําเลือดของเรา ในร่างกายของเราจากนั้นก็แยกแย่ดูอีกดูกระดูกของเราตั้งแต่กระโหลกศีรษะถ้าว่าพวกเราได้เห็นในรูปของปฏิกูลที่เขาถ่ายภาพมารูปอสุภะหรือเราได้เห็นกระดูกในสถานที่ต่างๆเราก็มองดูกระดูกนี้กระดูกคนข้าพระเจ้ามีกระดูกเหมือนกันไม่แพ้ไข่ไม่แพ้เขาไม่แพ้รูปร่างของกระดูกนี้ มีโกรกศีรสะมีคอมีแขนมีชีโครงมีกระดูกสันหลังมีสะโพกมีกระดูกเชิงการมีกระดูกขากระดูกเข่ากระดูกแข้งกระดูกฝ่าเท้ากระดูกนิ้วเท้าไม่แพ้เขาไม่แพ้ไข่อื่นเมื่อข้าพระเจ้าเดินยองกลมข้าพระเจ้าจะให้กระดูกเดินยองกลมเราจะไม่ให้มีเนื้อหนัง ติดอยู่ในการเดินให้มีเห็นแต่กระดูกของตัวเองเดินเหมือนกับเราเห็นโครงกระดูกน้อมมาหาตัวเองข้าพเจ้าจะเอาโครงกระดูกของข้าพเจ้าเดินกําหนดให้กระดูกเดินหนสิขาขวาพุทขาซ้ายโถพุทธโถพุทโถจริงไหมร่างกายของเรานี้มีกระดูกอย่างนี้อย่างที่เราคิดเนี่ยเราคิดหลอกแล้วเราคิดเล่นๆหรือคิดหลอกตนเองไม่ใช่ของจริงใช่ไหมมันจริงทางนั้น แต่เราไม่อยากจะคิดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการภาวนานยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดมีหลายรากหลายในรูปแบบที่พวกเราจะกลอกล่อลวดทําให้จิตใจเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจสงบนํามาพิจารณาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดคือวิปัสสนาแยกแยะบางส่วนแบ่งส่วนออกจนถึงร่างกายสลายลงสู่ดินน้ําลมไฟ ไปตามสภาพของมันเพราะร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุสี่ดินคือของแข็งคือกระดูกน้ำคือน้ำปัสสาวะน้ำเลือดประเพณน้ําดีน้ําอะไรที่เป็นน้ําในร่างกายของเราน้ําลมก็คือลมในลใําไส้ลมหายใจเข้าออกไฟก็คือทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นร่างกายของเราร้อนกระวนกระวาย ถ้าไม่มีธาตุไฟร่างกายนี่ก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นร่างกายเราประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นการพิจารณาธาติก็ได้หรือพิจารณาอสุภะปฏิกูลก็ได้พิจารณาให้ร่างกายของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนาัตตาก็ได้มันมีหลายแนวที่พวกเราทําให้จิตใจของเรารู้เห็นตามความเป็นจริง จากนั้นเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงเราก็ไม่รู้จะยึดยังไงร่างกายเนี่พราะอีกสักวันหนึ่งก็ยังที่เราได้เห็น อ, อยู่ไปอยู่ไปแล้วก็เห็นผมหงอกผมขาวอย่างที่ว่าฟันหลุดตาฝ้าฟางหนัเนงเหี่ยวหลังค่อมสักไม่เท้าจากนั้นนอนอยู่กับหมอนนอนกับเสือพีนจะลืมตาป้อนข้าวผลที่สุดก็ตายพอเห็นคนอื่นตายแล้วต่อไปก็เห็นตัวเองตาย มันเป็นอยู่อย่างนี้ร่างกายของเราไม่เป็นอย่างอื่นนะใจมาถึงตัวใจแล้วนะทนเีเพราะเอาไรคิดเอาใจคิดนา ม, มาธรรมคือมโนคือใจผู้รู้ตัวคิดนั่นแะมาดูกายมาดูกระดูกมาดูพิจารณาร่างกายในเมื่อพิจารณาทีท่วนทุกอย่างแล้ว ทีนมก็ย้อนกลมาตัวผูรู้คือใจใจเราไปหลงอะไรในร่างกายอีกสักวันหนึ่งที่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้บอกได้กล่าวไว้นั้นนะมันเป็นความจริงจริงๆริงไม่ใช่ว่าเรามาหลอกกันเล่นๆไม่ใช่เอาของจริงมาพูดจริงๆแต่เราไม่ยอมรับเท่านั้นเองแต่เมื่อเราพิจารณาทีท่วนทุกอย่างแล้ว ไม่ยอมรับก็ไม่ได้เพราะหลักเหตุผลลงตรงนั้นถ้าเราเป็นผู้มีเหตุมีผลนักเหตุผลอย่างเราเราต้องรับนะเราต้องยอมรับว่าร่างกายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็เป็นหลงอย่างนั้นจริงๆหลงร่างกายของตนเองว่าจะอยู่ชั่วฟ้าดินฉลายหาอะไรม า, มาหาปุ่นปือร่างกายของเรา อันไหนสวยงามเสื้อผ้าสวยงามอาหารบริโภคอริดอร่อยเงินคำทรัพสมบัติของประดับประดาร่างกายเราก็ขนมาใส่ร่างกายของเราแต่ก็ขนมากะเท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นอีกสักวันหนึ่งก็ต้องทิ้งทั้งหมดทิ้งให้ทายาททายาทเขาก็ดีอกดีใจที่เขาจะได้ไปพอเขาได้ไปแล้วอีหลอบเขาก็เหมือนกับเรา เขาก็โยนให้ลูกให้หลานเขาอีกลูกหลานาก็ดีอกดีใจอกีกลูกหลานรับไปอีกอีหลอบเขาอีกโยนไปอีกมันเป็นอยู่อย่างนี้โลก น, นี้จริงไหมใจใถ้าเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วนั่นแหละมันก็จะย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจในเมื่อพิจารณาเห็นตัวผู้รู้คือใจใจอย่าหลงนะ ถ้ามันไม่หลงกายแล้วอย่างอื่นมันก็ไม่หลงทตรงเดี๋ยวนี้มันหลงร่างกายคือพระพุทธเจ้าท่านให้พิจนารณาร่างกายร่างกายเป็นอนิจังนะของไม่เที่ยงนะเกิดแก่เจ็บตายนะองอันดิจังนะทุกขังอนัตตานะใจนะอย่าไปหลงนะในเมื่อไม่หลงร่างตัวเองไม่หลงกายตัวเองก็ไม่หลงอย่างอื่นทุกสิ่งทุกอย่าง อันสืบเนื่องไปจากกายของเราทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่หลงกายของเราแล้วสิ่งอื่นมันก็ไม่หลงนะพิจารณาดูนะนั่นนะอันนี้ก็คือเริ่มเดินวิปัสสนาะอ่ะอันดับแรกเราต้อ ง, ต, องต้องนึกคิดไปก่อนแต่นึกคิดเอาเรื่องที่มันเป็นความจริงขึ้นมานึกคิดจริงไหมร่างกายเรามีกระดูกจริงไหมร่างกายของเราเนี่เต็มไปด้วย ลำไส้ตับปอดแขวนพลุมพลังอยู่ข้างในท้องของเราเนี่ยแล้วก็มีหนังหุ้มเอาไว้เออถลกหนังออกไปก็น่าเกียดตายคนตายเห็นมันน่าดูไหมไม่น่าดูที่เราหลงอยู่ทุกวันนี้หลงหนังใช่ไหมมงองดูแล้วก็เจิดจ๋วยงดงามผุดผาดหลงหนังใช่ไหมใช่ ท่านเราพิจารณาตามความเป็นจริงแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านน ะ, เ, ะเมื่อนั้นก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจใจของเราเป็นหลงเมื่อเราเป็นหลงนั่นกันนะอย่าหลงหน่ใจนะให้รู้แจ้งเห็นจริงเราเห็นอนิจจงของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกเห็นอย่างนั้นอนัตตามิใช่ตัวตนของเราร่างกายก็ไม่ใช่ตัตนของเราเพราะอะไรเพราะมัน เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสภาพไปได้มันจะตายสูกดินน้ำลมไฟเราจะไปยึดว่าเป็นของเราได้ยังไงใจนั่นแหะเมื่อย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจทน่นนี้มีแต่ใจตัวนึกคิดนันดูใจของตนเองใจของเราเนี่ก็เป็นอนนจังเหมือนกันเดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็พองใสเดี๋ยวก็ทุกข์ลึกๆในจิตใจว้าวอ้างว้าง เงียบเหงาซึมเศร้าในจิตใจอีกแนีดูอากับกิเยาของใจอีกเทถ้าเรามีสติมีปัญญามีสติไม่ใช่สติธรรมดานะดูใจเนี่นะมหาสติมหาปัญญาอย่างที่องค์งหลวงตาที่ท่านพูดยืมคำของท่านมาพูดมาดูใจพอเห็นใจเท่านั้นนะมักผลนิพพานนะรู้แจง้งเห็นจริงมันอยู่ที่ใจเท่านั้นแหะปล่อยวางที่ใจ ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นใจปล่อยวางเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะไปยึดใต้อย่างไงว่าอันนี้คือเป็นของสุขมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะการพิจารณารมหรือว่าการกําหนดการปฏิบัติธรรมให้มีสมัติคือทําจิตใจให้เป็นหนึ่งให้เกิดญาณและเกิดสมาธิก่อนเมื่อจิตใจเป็นสมาธิ พอสมควรแล้วก็นํามาพิจารณาร่างกายสังขารอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวได้บอกให้ทราบจากนั้นก็เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาจากนั้นก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจเอาสติจับที่ใจดูที่ใจใจของเราเป็นรุ่มหลงกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นใจของเราเลยเป็นทุกข์เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นแต่ก่อนนึกว่าเป็นตัวตนของเรา แต่ที่แท้แลวมันไม่ใช่มันคว้าน้ำเหลว เ, เหมือนกับไปคว้าร่างกายว่าร่างกายเป็นของเราร่างกายก็ไหลลงไปสู่อเ น, นจังทุกข์ขังนันตาตัวเองก็คว้าแล้วคว้าอีกอดูแลดูอีกประครบปงโหมร่างกายอยากจะให้ร่างกายมาอยู่กับตัวเองนานๆแต่ร่างกายมันก็นไหลไปตามสภาพเพราะนั้นเราก็เลยเป็นทุกข์กับร่างกาย ในเมื่อขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราสียงทั้งหลายทั้งปวงเงินคําทรัพย์สมบัติญาต์พี่น้องเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์ใครก็ตามนะมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นแหละใจนะนี่ยนะเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แลาวก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นมรรคผลนิพาน พ, นพานนะิพพานนอยู่ที่ความปล่อยวางนะเมื่อความปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนะมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นนะ ขอให้พวกเราทุกๆูกท่านนะตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาต้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติมรรคผลนิพพานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาเนี่ยเป็นของจริงพูดอย่างนั้นได้แต่เราจะจริงอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดเรื่อเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งใจประกฤตปฏิบัติทำนะแต่วันนี้หลวงพ่อได้พูดอะไรให้ฟังแล้วก็หลวงพ่อจัง ขอไปพักนะพอนแล้วก็ให้เปิดเอ3สามให้ฟังอีกสักแผ่นหนึ่งให้พวกเรานั่งสมาธิแนวฟังจบแล้วก็ทั่งต่อไปอีกสักช่วระยะหนึ่งเพราะวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเพราะว่าบางสำนักบางแห่งนะท่านนั่งทั้งคืนพวกเรานั่งเพียงแค่นี้ทดลองดูสิถ้าไปนั่งตามลาพังเนี่ยมันจะอาจจะไม่ได้นาน แต่นั่งอยู่อย่างนี้มันอาจจะบังครับแต่เทศยัางไงก็จะต่อไปก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่สู้เสเลยเราก็เป็นผู้แพ้ตลอดเพราะนั้นขอให้ยานรัตนะเป็นผู้พาชดทายาิโยมทั้งหลายนะนั่งภาวนาแต่อันดับแรกก็จะให้เปิด MP3 หลวงพ่อให้ฟังแต่เทศกันนี้เป็นเทศแนวปฏิบัติการวางแผน วัดของเราระวางแผนชีวิตของพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่ารดแมพนั่นน ะ, นะเปิดฟังฟังดูนะเอานั่งสมาธิทีนี่เอาเปิดได้นะ